ดังนั้นความรู้สึกของพระสักะยมบุตรที่จะปรงใจจำวัดแต่ละครั้งจึงควรมีความสำคัญติดตัวในขณะนั้นและเวลาอื่นๆจะสมชื่อว่าผู้ประคองสติผู้มีปัญญาคิดอ่านไตรตรองในทุกกรณีไม่สักว่าคิดสักว่าพูดสักว่าทมสักว่านอนสักว่าตื่นสักว่าฉันสักว่าอิ่มสักว่ายืนสักว่าเดินสักว่านั่ง ซึ่งเป็นอาการปล่อยตัวเกินเพศเกินภูมิของพระสักยบุตรที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในวงปฏิบัติโดยมากมาเข้าใจกันว่าเราพระเจ้าและสาวกอราหาันทั้งหลายนิพพานไปแล้วสาบศูนย์ไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวกับท่านและตนเองเสียแล้วก็พระธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุที่สอนกันให้ปฏิบัติอยู่เวลานี้เป็นธรรมของท่านผู้ใดกุดค้นขึ้นมาให้โลกได้เห็นและได้ปฏิบัติตามเล่าและพระธรรมตั้งตัวอยู่ได้อย่างไร ทำไมจะไม่สาบสูญไปด้วยเราความจริงพุทธะกับสังฆะก็คือใจดวงบริสุทธิ์ที่พ้นวิสัยแห่งความตายและความสาบสูญอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะให้ตายให้สาบสูญให้หมดความหมายไปได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปกับสมมติไม่ได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความตายไม่ได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความสาบสูญไม่ได้อยู่ใต้อำนาจแห่งการหมดความหมายใดๆพุทธะจึงคือพุทธะอยู่โดยดี ธรรมะจึงคือธรรมะอยู่โดยดีและสังขะจึงคือสังขะอยู่โดยดีมิได้สันสะเทือนไปกับความสําคัญใดๆแห่งสมมติที่เสกสรรทําลายให้เป็นไปตามอํานาจของตนฉะนั้นการปฏิบัติด้วยธรรมานุธรรมะจึงเป็นเหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาที่มีธรรมานุธรรมะภายในใจเพราะการรู้พุท ธ, ธะธรรมะสังขะโดยหลักธรรมชาติจําต้องรู้ขึ้นที่ใจ ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งธรรมอย่างเหมาะสมสุดๆไม่มีภาชนะใดยิ่งไปกว่าดังนี้นี้เป็นโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นมาเตือนท่านในสมาธิภาวนาในเวลาท่านเห็นว่าท่านอาจารย์องค์นี้อาจทําอะไรผิดพลาดไปบ้างเช่นการปฏิบัติธุดงควัดไม่ถูกเป็นบางข้อหรือบางประการและการจำวัดตื่นผิดเวลาความจริงท่านว่าท่านอาจารย์มั่นไม่ได้เตือนด้วยความมั่นใจว่าท่านทําผิดโดยถ่ายเดียว แต่ท่านเตือนโดยเห็นว่าท่านอาจารย์องค์นี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่คณะทั้งพระเนนและประชาชนจนํานวนมากในวาระต่อไปท่านจึงเตือนไว้เพื่อท่านอาจารย์องค์นี้จะได้ตระหนักในข้อวัดต่างๆต่อไปด้วยความเข้มแข็งเพื่อทายทอดแก่บรรดาประชาชนพระเนนที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาจะได้ของดีไปประดับตัวดังองค์ท่านอาจารย์มั่นเคยพาหมู่คณะดำเนินมาแล้วท่านว่าการวางบริขารเช่นบาตการน้ํา สบงจีวรหรือบริขารอื่นๆที่ใช้ในสำนักต้องวางหรือเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นผ้าเช็ดท้าเป็นต้นถ้าเห็นไม่สะอาดควรเกี่ยวการใช้สอยต้องเก็บไปซักฟอกให้สะอาดจึงนำมาใช้อีกหลังจากใช้แล้วต้องพับเก็บไว้เป็นที่เป็นฐานไม่ทิ้งระเกะระกะถ้าวันใดเกิดเผลอขึ้นมาเพ ร, ราะทุระอย่างอื่นมาแทรกพอตกกลางคืนเวลาทำสมาธิภาวนาจะปรากฏเห็นท่านอาจารย์มั่นมาเตือน และแสดงทําให้ฟังจนได้ท่านพักอยู่ถ้ำดังกล่าวในภาษานั้นเพียงองค์เดียวกลางคืนจะปรากฏท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมเสมอโดยทางนิมิตภาวนาแม้กลางวันเงียบๆ เ, เวลานั่งภาวนาในบางวันยังเห็นท่านมาเยี่ยมเช่นเดียวกับกลางคืนท่านว่าท่านสนุกเรียนถามปัญหาต่างๆกับท่านจนเป็นที่เข้าใจาแจ่มแจ้งเพราะท่านอธิบายแก้ปัญหาได้คล่องแคล่วว่องไวมากและในความชัดเจนหายสงสัยทุกๆข้อไป ปัญหาบางอย่างเพียงแต่ลำพึงสงสยัยตามลําพังโดยไม่ได้นึกถึงท่านเลยเพราะตกกลางคืนเข้าที่ภาวนาท่านขาม้าอธิบายให้ฟังเสียแล้วโดยยกข้อที่เราสงสัยขึ้นอนธิบายให้เราฟังเรากลับได้เรียนท่านไว้แล้วท่านว่าแปลกและอัศสจัจจริงมากแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าเป็นกรรมฐานบ้าแต่ทําเครื่องแก่กิเลสชนิดต่างๆโดยมากย่อมเกิดจากทางสมาธิภาวนาโดยลําพัง และเกิดทางนิมิตมีท่านอาจารย์มาร์เป็นต้นมาเตือนให้อุบายและแสดงทำสั่งสอนโดยสม่ำเสมออันเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้คิดอ่านตรตรองมิให้ประมาทท่านว่าพรรษาที่จําอยู่ในถ้าแห่งโรงนาป่าเปลี่ยวนี้ทําให้เกิดอุบายต่างๆที่แสดงขึ้นทั้งภายในภายนอกมากมายตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนผิที่ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้มีราตรีเดียวด้วยความรื่นเริงอยู่กับธรรมในอิรยาบถต่างๆ ยืนเดินนั่งนอนเต็มบุ ร, ธรีธรรมิธิระหว่างสันติธรรมที่มีเป็นฐานเดิมประจําความบริสุทธิ์และทำประเภทต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับใจแล้วแสดงความหมายไปในแง่ต่าง ๆ, ๆกันทําให้กายและจิตชุ่มชื่นรื่นเริงเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยปุ๋ยและน้ำมีอากาศเป็นที่เหมาะสมคอยฉลมให้ลําต้นกิ่งก้านส า, าขาดอกใบของมันสดชื่นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นท่านว่าคนเราเมื่อจิตมีราตรีเดียวกับธรรมความสงบร่มเย็น ไม่ว้าวุ่นคนมัวมัสูงกับสิ่งใดแล้วก็มีความสุขอยู่ในโลกแห่งขันเรานี่เองไม่จําต้องลินรนหาความสุขในที่อื่นพบอื่นซึ่งเป็นการวาดภาพเราตัวเองให้เกิดความทะเยอทะยานเสริมตันหาสมุทัยอันเป็นเชื้อแห่งทุกข์เขมาเผาหลนตัวเองให้เกิดความทุกข์ลาบากไปเปล่าๆเพราะความสุขที่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่กับใจนั้นเป็นความสุขที่พอกับตัวแล้วโลกนี้ทั้งโลกและโลกอื่นๆไม่มีประมาณในสงสารเรากับไม่มีอยู่ สิ่งที่มีและเด่นชัดประจักษ์ก็คือใจกับธรรมที่ปรากฏครอบโลกธาตุไม่มีความเขตเหตุผลพอจะนำมาเทียบมาวัดได้เพราะจิตกับอัจฉริยธรรมที่คร้องกันอยู่ไม่ใช่สมมติจึงไม่เป็นฐานะจะนำมาเทียบกันพอออกภาษาแล้วคณะสัาาตยาิโยมที่เคยอุปถาม ร, รักษาท่านก็พากันไปอาราธนานิมนต์ท่านลงมาและอาราธนาท่านให้โปรดเมตตาสั่งสอนตามหมู่บ้านแถบอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ท่านจำต้องลงมาทั้งที่อะไรเสียดายสถานที่แห่งนั้นไม่คิดจะจากไปไหนไง่ายๆเมื่อลงมาอบรมสั่งสอนชาวบ้านพอสมควรแล้วได้โอกาสท่านก็ออกเที่ยวทูดงกรรมฐานไปตามอัธยาศัยโดยข้ามไปทางฝั่งแม่น้ําโขง ข, งของประเทศลาวบ้างข้ามมาฝั่งไทยเราบ้างแล้วเที่ยวบําเพ็ญอยู่แถบอําเภอบึงการอําเภอพลพิสัยซึ่งมีป่ามีเขาวมากที่นั้นเรียกว่าดงม่อทอง แลมีทำเลดีเหมาะกับการบำเพ็ญอยู่หลายแห่งมีหมู่บ้านที่ไปตั้งมาอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนเขาอารัธนาท่านให้อยู่จําภาษาเพื่อโปรโดเขาซึ่งเป็นสถานที่ศพกับอัธยาศัยท่านจึงตกลงจำพรรษาที่นั่นตอนท่านพักบําเพ็ญธรรมอยู่ในภูเขาเขตอําเภอโพน พ, พิสัยนั้นท่านว่าท่านเพลิดเพลินรื่นเริ ง, รงไปกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆด้วยความเมตตาเขามากมีไก่ปา่าไก่ฟ้า นกนานาชนิดมีนกเงือกนกยุงเป็นต้นและเม่นอีเห็นอีเก้งหมูกวางลิงข้างบางชนีหมาป่าเสือโครง่งเสือดาวช้างกระทิงวัวแดงซึ่งแต่ละชนิดมีมากมายผิดกับที่ทั้งหลายเที่ยวมาเป็นฝุงฝูงคงโครงทั้งกลางวันกลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านั้นส่งเสียงร้องลั่นสนานป่าตามวารของเขาอยู่เสมอบางวันเวลาออกไปบินถ่า ก็ยังพบเสือโคร่งใหญ่เดินฉากหน้าทันไปอย่างสวยงามน่าดูโดยไม่ห่างไกลท่านเลยด้วยความองอาจและสงาา่าผ่าเผยตามนิสัยของมันท่านว่าขณะที่มันเดินฉากหน้าทันไปซึ่งเป็นที่โล่งพอสมควรดูการก้าวเดินของมันรู้สึกสวยงามมากขณะที่พบกันทีแรกมันชมเหลืองดูท่านนิดเดียวก็เดินต่อไปโดยไม่มองกลับมาดูท่านอีกเลยดูลักษณะท่าทางมันก็ไม่ครัวท่านน แต่อาจระวังตัวอยู่ภายในตามนิสัยของสัตว์ที่มีนิสัยดีและมีความระวังตัวไม่ค่อยพลังเผลอให้กับอะไรง่ายๆเฉพาะท่านเองก็ไม่นึกกลัวมันเพราะเคยได้เห็นมันมาบ้างและเคยได้ยินเสียงมันอยู่เสมอจนชินชาไปซะแล้วเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆเรื่อยมาซึ่งโดยมากมักมีสัตว์พันธุ์นี้ประจาอยู่เสมอในที่บาเพ็ญ น, นั้ น, น, นจึงไม่นึกกลัวเพินวันหนึ่ง ท่านกําลังนั่งอบรมกรรมฐานแก่พระที่จะมาสานด้วยกันราวสามสี่องค์ท่านว่าได้ยินเสียงนักเลงโตสามตัวลายพาดกรอนดังกระหึ่มกระหึ่มขึ้นข้างๆบริเวณที่พักแห่งละตัวจากนั้นก็ได้ยินเสียงคํารามขู่เข็นกันบ้างเสียงกัดกันบ้างแล้วก็เงียบหายไปเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงขู่เข็นและกัดกันขึ้นอีกข้างๆที่พักนั่นแหลทีแรกได้ยินเสียงมันเล่นและกัดกันอยู่ข้างนอกบริเวณที่พัก นึกว่าจะพากันหนีไปที่อื่นหายเงียบไปแล้วเพราะเสียงสงบเงียบไปพักหนึ่งแต่ที่ไหนได้จากการหายเงียบไปได้พักหนึ่งเท่านั้นประมาณสามทุ่มก็ชักชวนกันเข้ามาอยู่ใต้ถุนบรรณสาลาเล็กๆที่พระกําลังนั่งสมาธิฟังการอบรมธรรมอยู่ซึ่งสงประมาณเมตรกว่านิดหน่อยเท่านั้นและส่งเสียงกระหึ่มคํารามและกาดกรอยู่ใต้ถุนสาลาเล็กๆนั้นจนท่านต้องตะโกนบอกว่า เฮ้ยสามสายอย่าพากันส่งเสียงอื้ออึงนักสิพระท่านกำลังเทศละฟังทำกันเดี๋ยวเป็นบาปตกนรกหลุมฉีบหายกันหมดน่าจะว่าไม่บอกเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่เอตโรโพเฮกันนีนาจมพากันไปเที่ยวร้องครางที่อื่นที่นี่เป็นวัดของพระที่ท่านชอบความสงบไม่เหมือนพวกแกไปเสียพากันไปร้องที่อื่นตามสบายไม่มีใครไปยุ่งกับพวกแกหรอกที่นี่เป็นที่พระท่านอยู่บาเพ็ญธรรม ท่านจึงไม่ห้ามไม่ให้พวกแกส่งเสียงอื้ออนะึนักพอได้ยินเสียงพระท่านร้องบอกก็พากันสงบอารมณ์ไปพักหนึ่งแต่ยังพอได้ยินเสียงเกี่ยวพาราศีกันซบซิบหูอีเบาๆอยู่ใต้ถุนศาลาอันเป็นลักษณะบอกกันว่าพวกเราอย่าส่งเสียงดังกันนักสิพระท่านรำคาญและร้องบอกมานั่นไงละ่ะทำเสียงเบาๆหน่อยเถอะเพื่อนเดี๋ยวเป็นบาปขี้กลากขึ้นหัวเบาไว้พักหนึ่งต่อไปก็ มีเสียงโครวนครางขู่เข็นและกัดกันขึ้นอีกไม่ยอมหนีไปที่อื่นตามคำท่านบอกและพากันเหมาใต้ถุนรรณสาลาเป็นที่เล่นสนุกกันตั้งแต่หัวค่ำจนสองยามคือหกทุ่มจึงพากันหนีไปพระนั่งทาสมาธิภาวนากันบนสาลาหลังจากฟังการอบรมธรรมแล้วเสือโคร่งใหญ่สามตัวก็ส่งเสียงขู่เข็นคำรามและกัดกันอยู่ใต้ถุนสาลาจนถึงหกทุ่ม จึงเลิกจากกันไปพระก็ลงไปที่พักของตนเสือก็เข้าป่าไปคืนนั้นเป็นความประหลาดเป็นพิเศษนับแต่เที่ยวทุดงกรรมฐานมาหลายปีและเคยเที่ยวไปสถานที่ต่างๆหลายแห่งหนตำบลหมู่บ้านและป่าเขาต่างๆแต่ไม่เคยมีสัตว์เสือมาตีสนิทมิตรรักกับพระเราเขาเคยเป็นเพื่อนสนิทมิสหายผู้ฝากเป็นฝากตายกันมานานเพิ่งมาพบในคืนวันนั้นเอง ตามปกติเสือเป็นสัตว์กลัวคนตามสัญชาตญาณแม้จะเป็นสัตว์ที่มีอำนาจทําให้คน ข, ขยาดขรั่นครามอยู่บ้างกว่าสัตว์อื่นๆแต่เสือย่อมกลัวและหลบซ่อนคนมากกว่าคนจะกลัวเสือและหาที่หลบซ่อนแต่เสือสาม ต, ตัวนี้นอกจากไม่กลัวคนแล้วยังพากันมาแอบยึดเอาใต้ถุนศาลาหลังเล็กที่พระยังชุมนุมกันอยู่ข้างบนเป็นที่เล่นสนุกโดยไม่คิดกลัวพระซึ่งเป็นคนเหมือนมนุษย์ทั้งหลายเลยจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ ที่สัตว์ไม่เคยรู้เรื่องกับศีลธรรมเหมือนมนุษย์ทั้งหลายแต่กิริยาที่เขามาตีสนิทสนมกับพระนัน้นรหลากับเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ทราบศีลธรรมดีและปฏิบัติศีลธรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายด้วยจึงไม่แสดงท่าทางให้พระท่านกลัวนอกจากเขาแสดงต่อผู้เขาเองซึ่งก็ทราบกิริยาท่าทางของกาลกันอยู่แล้วท่านว่าฟังท่านเล่าแล้วขนลุกกลัวบ้าอยู่คนเดียวทั้งที่เรื่องก็ผ่านไปนานแล้วเรื่องของคนไม่เป็นท่าก็เป็นอย่างนี้เอง แม้ท่านแสดงเรื่องต่างๆอันเป็นคติทําให้ฟังก็าตามแต่คนไม่เป็นท่าย่อมไม่ยอมฟังเพื่อ ย, ยึดเป็นคติได้เลยแต่จะดันไปเฉพาะเส้นทางสายไม่เป็นท่าของตันนั่นแหละดังผูกเขียนแสดงความกลัวที่นาอับอายตัวหน้าท่านในเวลาฟังคําบอกเล่านั้นแหลนอกจากนั้นยังมาประกาศขายความขี้ขลายของตัวในหนังสือให้ท่านผู้อ่านหัวเราะเขาอีกซึ่งนับว่าเลวพอใช้อ่านแล้วก ร, รุณาระวังอย่าให้เรื่องทํานองนี้ แทรกสิงเข้าไปสู่จิตใจได้จะกลายเป็นคนขี้ขลาดไม่เป็นท่าไปอีกหลายคนท่านเล่าว่าคืนวันนั้นพระที่นั่งฟังการอบรมและทําสมาธิภาวนาต่อไปหลังจากการอบรมแล้วต่างมีความตื่นเต้นตกใจและตาตั้งหูกลางไปตามๆกันที่ได้ยินอาจารย์ใหญ่ทั้งสาตัวมาให้การอบรมช่วยท่านอาจารย์อยู่ที่ไท้ทุนในลักษณะแข็งริดเจือกับความสนุกของเขาทําเอาพระนั่งภาวนากลัวตัวแข็งไปตามๆกัน จิตไม่อาสงไปนอกรูนอกทางได้เพราะครูอาจารย์ใหญ่ทั้งสามจะพากันโดดขึ้นมาให้อวาดบนศาลาเล็กด้วยท่าทางต่างๆแต่ก็ดีและน่าชมสัตว์สามตัวที่ไม่แสดงโลดโผนเกินกว่าเหตุอุตริโดดขึ้นบนศาลาในเวลานั้นอย่างรู้จักฐานะของตัวของท่านบ้านไม่ก้าวกายหน้าที่อันควรแก่ภาวะของตนแสดงเพียงเบาๆพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกรากันไป น่าแต่วันนั้นผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นเขากลับมาอีกเลยส่วนสถานที่และบริเวณที่พระอาศัยอยู่นั้นก็คือทําเลเที่ยวของสัตว์จำพูกนี้และสัตว์อื่นๆเราดีๆนี่เองไม่เว้นแต่ละคืนต้องมีจำพกูกใดจำพูกหนึ่งเข้ามาจนได้เพราะที่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกจำพวกเนื่องจากป่าและขาวแถบนั้นกว้างขวางมากคนเดินผ่านเป็นวันก็ไม่พ้นสัตว์ชนิดต่างๆดังที่เขียนผ่านมาจึงมีมาก พวกช้างเป็นของโขลงหมูป่าเป็นฟุงฝูงซึ่งแต่ละโขลงและฝูงมีจานวนมากมายและไม่สู้จะกลัวผู้คนมากนะักปีท่านจำรษาที่นั่นอุบายต่างๆเกิดขึ้นโดยสม่ำเสมอและต้องคอยเตือนพระเสมอไม่ให้ประมาทในการรักษาทุดดขวัดเพราะอยู่ในถ้มกลางสิ่งที่ควรระวังหลายอย่างต่า ง, างกันโดยอาศัยทุดดววัดเป็นเส้นชีวิตจิตใจมีธรรมวินัยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายใจจึงอยู่เป็นสุข ไม่วาเสียวสะด้ง g กลัวต่างๆการขบฉันก็น้อยเพียงเยียวยาธาตุขันไปวันวันเท่านั้นเพราะศรัยญาติโยมมีน้อยและเป็นบ้านเพิ่งตั้งใหม่มีไม่กี่หลังคาเรือนยังไม่เป็นหลักฐานมั่นคงและเป็นความมุ่งหมายของท่านผู้หนักแน่นในธรรมจะพึงฝึกฝนอดทนเพื่อรำความอยู่สบายทางภายในจึงไม่กังวลกับที่อยู่อาศัยอาหารปิน t บ a b ให้มากไปอันจะเป็นอุปสรรคต่อความเพีย ยาแก้ไขก็ขถือความอดทนต่อสู้ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนาโดยถือเอาสัตว์ป่าชนิดต่างๆเป็นเพื่อนและสักขีพยานว่าเขาก็มิได้เกิดมากับหยุกยาชนิดต่างๆและคลอดที่โรงพยาบาลมีหมอและนางพยาบาลคอยรักษาผดุงครรแต่เขายังเป็นสัตว์ชนิดต่างๆสืบต่อกันมาได้เต็มป่าเต็มเขาโดยไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจว่าตนขาดการบำรุงรักษาด้วยหมอด้วยยาและนางพยาบาล ตลอดเครื่องบำรุงต่างๆส่วนพระเป็นมนุษยชาติและเป็นสักยะบุตรพุทธชาติศาสดาองค์ลือพระนามสะเทือนทั่วไตรภพว่าเป็นผู้ทรงเรียนจบคัมภีร์ไตรภูมิด้วยพระคันติวิริยะพระปัญญาปรีชาสามารถในทุกทางไม่มีคำว่าจนตรอกอ่อนแอท่อถอยแต่พระเราจะมาถอยหลังหลังน้าตาเพราะความทุกข์ลาบากเพียงการเจ็บไข้เดรป่วยอันเป็น ของธรรมดาแห่งขันเท่านี้ก็ต้องเป็นผู้ขาดทุนล่มจมจะนําตนศาสนาไปไม่ตลอดนอกจากต้องเป็นผู้อาหันอดทนต่อสภาพความมีความเป็นความสัมผัสทั้งหลายด้วยสติปัญญาอย่างทราบไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นไม่มีทางเพื่อเอาตัวรอดหวังจอดในที่ปลอดภัยได้จิตเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกย่อมมีความรื่นเริงในธรรมพอใจประคองตนไปตามวิถีแห่งมรรคและผลไม่มีการปลีกแวะ ไม่สร้างความอับจนไว้ทับถมตัวเองปฏิปทาก็สม่ำเสมอไม่ท้อถอยน้อยใจว่าตนขาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในมีใจกับทําเป็นเครื่องฉลมหล่อเลี้ยงให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจอยู่ที่ใดไปที่ใดก็เป็นสุขโตแบบลูกศิษถาคตไม่แสดงความอดอยากขาดแคลนในทางใจพระทุรงกรรมฐานที่มุ่งต่อธรรมทานไปและอยู่โดยอาการอย่างนี้ท่านจึงอยู่ได้ไปได้ยอมอดยอมทน ความลบากคิวโหยได้อย่างสบายหายห่วงกับสิ่งทั้งปวงมีทําเป็นอารมณ์ของใจเรื่องสัตว์ต่างๆที่ชอบมาอาศัยกับพระท่านผู้อ่างกรุณาคิดว่าจะเป็นความจริงได้เพียงไรบ้างแต่ก่อนคิดเรื่องสัตว์ป่ากรุณาคิดเรื่องสัตว์บ้านก่อนที่ชอบเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของท่านผู้มีเมตตาจิตแล้วเข้าไปอาศัยวัดพออยู่รอดปลอดภัยไปในวันหนึ่งวันหนึ่ง สุนัขและนกเป็นต้นที่ชอบเข้าไปอาศัยวัดบางวัดจนแทบไม่มีที่และต้นไม้ให้สัตว์เหล่านี้อาศัยเพราะมีมามากด้วยกันอันดับต่อไปค่อยคิดไปถึงสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่มักเข้าไปเที่ยวป้วนเปลี่ยนและอาศัยอยู่ตามสถานที่และวัดที่พระธุดงค์ท่านพักอยู่ดังที่เขียนผ่านมามากพอดูทั้งประวัติท่านอาจารย์มั่นและปฏิบัติพระธุดงค์สายของท่านอาจารย์มั่นซึ่งมีเรื่องสัตว์มาอาศัยพระ แบงมาเสมอๆตามประสบการณ์ที่ได้รับทราบมาเป็นความจริงจึงเป็นเรื่องน่าคิดในแง่ธรรมอันเป็นหลักธรรมชาติให้ความร่มเย็นและเป็นธรรมแก่สัตว์โลกทุกชาติทุกภาษาโดยที่สัตว์ทุกจําพวกไม่จําเป็นต้องทราบว่าธรรมคืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่แสดงออกให้สัตว์ยินดีรับกันทั่วโลกไม่มีใครรังเกียจ น, นั้นคือธรรมโดยธรรมชาติธรรมนั้นแสดงอาการความสงบสุขความร่มเย็น ความไว้วางใจความมีแก่ใจความเมตตาความเอ็นดูสงสารความมาเถิดอูเถิดไม่เป็นภัยแน่นอนเป็นต้นการแสดงออกแห่งกระแสธรรมเพียงเท่านี้สัตว์ทุกจําพวกชอบและยอมรับกันทันทีโดยไม่ต้องมีโรงเรียนไว้สอนเขาเลยเพราะจิตใจกับกระแสธรรมเป็นของคู่ควรกันยิ่งกว่าอํานาจราชศักดิ์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งปรุงแต่งและเสริมกันขึ้นย่อมสลายไปตามเหตุการณ์ไม่แน่นอนดังนั้น สัตว์แม้จะไม่เคยทราบว่าธรรมคืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ชอบและยอมรับโดยธรรมชาติสัตว์ย่อมสแสวงหาเองดังสุนัขเข้าไปอาศัยวัดสัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระทุดงเพราะธรรมคือความเย็นความไว้วางใจเป็นต้นที่สัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในที่นั้นจึงเสาะแสวงหาไปตามประษาแม้แต่ผู้ไม่เคยสนใจกับธรรมเลยยังรู้จักสถานที่ที่ไม่มีภยัย และชอบไปเที่ยวสนุกเฮฮาในที่เั่นนั้นแต่โบราณการมาถึงปัจจุบันเพราะไปทำที่อื่นไม่ปลอดภัยเหมือนที่เช่นนั้นเพียงเท่านี้ก็พอทราบเลยว่าทำและสถานที่ผู้บำเพ็ญรมเป็นที่ไว้ใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั่วไปจึงไม่ค่อยระแวงระวังกันและบางรายบางพวกไม่ระวังเสียจนปล่อยตัวเลยเถิดโดยไม่คิดถึงหัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของประเทศบางเลยแม้ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้น ก็ยอมสรางความดีความชั่วคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วได้เช่นมนุษย์ทั่วไปจึงควรคิดและเห็นใจผู้อื่นที่รักส ง, งวนสมบัติของตนบ้างไม่ปล่อยร้อยเปอร์เซ็นตไปเสียทีเดียวในที่ทุกสถานอย่างจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยคนละวักรละตอนบ้านไม่คระเข้ากันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นใครเพราะอะไรอะไรก็แบบเดียวกันเสียสิน้น ท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเที่ยวหาที่วิเวกและเปลี่ยนที่ทำความเพียนอยู่เสมอปกติก็ชอบเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาอยู่แล้วแล้วยังชอบเที่ยวเปลี่ยนที่ทำความเพียนอยู่เรื่อยๆเช่นไปพักอยู่ที่นั่นเป็นปกติแล้วแต่เวลาเช้าไปทำความเพียนอยู่ที่หนึ่งตอนบ่ายหรือเย็นก็เปลี่ยนไปทำอีกแห่งหนึ่งกลางคืนก็เที่ยวไปทำความเพียนอยู่อีกแห่งหนึ่งในแถบที่ท่านพักอยู่นั่นแหละเปลี่ยนทิศทางบ้างไปใกล้บ้านใกลบ้าน ไปอยู่ในถ้ำอื่นจากถ้ำเดิมบ้างขึ้นไปอยู่บนหลังเขาบ้างตามหินดานบ้างดึกๆจึงกลับที่พักท่านให้เหตุผลสำหรับนิสัยท่านว่าเวลากำลังชนลมุนวุ่นวายกับการแก้กิเลสการเปลี่ยนอุบายต่างๆเช่นนั้นปัญญามักเกิดขึ้นเสมอกิเลสตั้งตัวไม่ติดเพราะถูกอุบายของสติปัญญาตีต้อนในท่าต่างๆให้หลุดลอยไปเป็นพักๆถ้าอยู่ในที่แห่งเดียวทาให้ชินต่อสถานที่ แต่กิเลสไม่ได้ชินกับเรามันสั่งสมตัวขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะชินกับอะไรหรือไม่ก็ตามเราจําต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายและสถานที่อยู่เสมอเพื่อทันกับกลมารยาของกิเลสที่ปักหลักสั่งสมตัวเองและต่อสู้กับเราไม่มีเวลาพักผ่อนตัวตลอดเวลาถ้าเว้นบ้างก็เพียงเวลาหลับเสนิทเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาทํางานเขมันเสร็จสิ้นดังนั้นการทําความเพียนจะลดหย่อนอ่อนข้อและผัดเพียน เลือนเวลาอยู่จึงทําให้กิเลสตัวขยันหัวเราะเอาการเปลี่ยนสถานที่และอุบายอยู่เสมอจึงพอมองเห็นความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้างไม่ปล่อยให้มันรับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวดังนี้เหตุผลของท่านก็น่าฟังและเป็นคติดได้ดีสําหรับผู้ไม่นอนใจให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ําทําลายเอาทุกๆ ก, กรณีที่จิตไหวตัวท่านชอบเที่ยวไปทางภูสิงภูวัวภูลังกาและดวงม่อทอง เขตอำเภอเซกาอเภโพลพิสัยจังหวัดหนองคายและอเภอบ้านแพงจงังวนครพนมแถบนั้นมีเขามากเช่นภูสิงห์ภูและภูลังกาซึ่งล้วนเป็นทำเลดีๆเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งแต่ห่างไกลหมู่บ้านมากปินธบาดไม่ถึงต้องมีคนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นส่งอาหารที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิดมีเสือช้างกระทิงวัวแดงเป็นต้น พอตกไบบ่ายและเย็นจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องสนานวันไว้ไปทั่วทั้งป่าผู้ไม่สละตาจริงๆยากจะอยู่ได้เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษและไม่ค่อยกลัวคนด้วยบางคืนพระท่านเดินยกรมทำความเพียงไปมาอยู่มันยังแอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลยแต่ไม่ทำอะไรมันอาจสงสัยแล้วแอบด้อมเข้ามาดูก็ได้พอท่านได้ยินเสียงผีสังเกตนึกประหลาดใจส่องไฉ า, ายไปดู ยังเห็นเสือโคร่งใหญ่โดดออกไปต่อหน้าต่อตาก็ยังมีแม้เช่นนั้นท่านก็ยังเดินจงกรมทําความเพียรต่อไปได้ไม่คิดกลัวว่าเสือจะโดดมาคาบเอาไปกินเลยทั้งนี้เพราะความเชื่อธรรมมากกว่าความกลัวเสือจึงพออดทนทําความเพียรต่อไปได้บางวันพอตกเย็นพระท่านก็ขึ้นบนไหล่เขาแล้วมองลงไปดูโผงช้างใหญ่ซึ่งกําลังพากันออกเที่ยวตามหินดานอันกว้างยาวเป็นกิโลกิโล สามารถมองเห็นช้างทั้งโครงได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเล็กๆและตัวใหญ่ซึ่งกําลังเริ่มจะพากันออกเที่ยวหากินท่านว่าเวลาดูช้างทั้งโครงใหญ่ๆที่กำลังหยอกเล่นกันอย่างเพลิดเพลินเช่นนั้นทําให้เพลินดูมันจนค่ําไม่รู้ตัวก็มีเพราะสัตว์ท่านนี้ชอบหยอกเล่นกันเหมือนมนุษย์เรานี่เองท่านอาจารย์องค์นี้มีความเด็ดเดี่ยวมากดังที่เขียนผ่านมาแล้วการนั่งภาวนาตลอดสว่างท่านทําได้อย่างสบาย ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคก็การนั่งภาวนาแต่หัวค่ํายันสว่างนั้นไม่ใช่เป็นงานเล็กน้อยถ้าไม่เป็นผู้มีใจกล้าหานกัดเหล็กกัดเพชรจริงๆจะทําให้ได้จึงขอชมเชยอนุโมทนาท่านอย่างถึงใจดังนั้นท่านจึงสามารถเป็นอาจารย์สั่งสอนคณะสารนสิทธิ์ให้ได้รับความร่มเย็นเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่แน่ใจในองค์ท่านเองร้อเปอร์เซนตว่าเป็นผู้สิ้นพบสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจทั้งที่ยังครองขันอยู่ ปล่อยขันเมื่อไรก็เป็นประมังสุขหังล้วนเมื่อนั้นหมดความรับผิดชอบกังวลโดยสิ้นเชิงการเขียนประวัติย่อของท่านอาจารย์องค์สําคัญองค์หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ม่านข้อขอจุติลงกรุณาสังเกตตามที่เขียนมานี้ว่าคือองค์ใดแน่ปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่และเป็นที่เคารพเลื่อสายของประชาชนพระเนเงจานวนมากแต่ผู้เขียนไม่อาจระบุนามท่านเกรงจะเป็นการกระทบกระเชือนในองค์ท่าน เพราะท่านพ้นจากโลกาไม้ใดๆทั้งสิ้นแล้วครองแต่ทาที่บริสุทธิกับขันห้าเครื่องขอกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีทางสงสัยท่านว่าจะเป็นอื่นขอความสวัสดีมงคลจงเกิดมีแด่ท่านผู้อา่านประวัติของท่านผู้อัศจรรย์โดยทั่วกันถ้าไม่ลดละความเพียรพยายามในการบำเพ็ญตนวันหนึ่งเราท่านต้องได้ชมธรรมสมบัติบริสุทธิ์ที่พึงใจอย่างท่านแน่นอนภายในใจท่านเอง สมกับทำเป็นสมบัติของทุกคนผู้ปฏิบัติเป็นสามีกิกรรมท่านอาจารย์มั่นผู้รู้เห็นทำประจักษ์ใจด้วยปฏิปทาอันราบรื่นดีงามที่ควรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างเต็มปากเต็มใจองค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันแต่ไม่ได้เขียนวิธีเดินจงกรมที่ท่านเคยดำเนินมาลงในประวัติท่านว่าท่านทําอย่างไรกําหนดทิศทางอย่างไรบ้างหรือไม่ทางจงกรม สำหรับเดินทําความเพียรในท่าเดินสั้นและยาวเพียงไรก่อนจะเริ่มทำความเพียรในท่าเดินท่านทําอย่างไรผู้เขียนลืมลงไว้ขณะที่เขียนประวัติท่านจึงขอนํามาเขียนลงในปฏิปทาสายของท่านเพื่อท่านผู้สนใจจะได้ยึดเป็นหลักฐานต่อไปความจริงพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับของมัชฌิมาปฏิปทาสําหรับท่านผู้สนใจดําเนินตามอย่างถูกต้องตายตัวก็มีอยู่แล้ว ดังนั้นท่านอาจารย์มั่นจึงยกแบบฉบับนั้นเป็นเครื่องดำเนินอย่างหาที่ต้องติไม่ได้ทั้งอิริยาบถธรรมดาและอิริยาบถแห่งความเพียรในท่าต่างๆแต่จะอธิบายวิธีเดินจงกรมก่อนวิธีอื่นทิศทางและความสั้นยาวของทางสำหรับเดินจงกรมมีดังนี้ทางเดินจงกรมตามที่ท่านกำหนดรูไวและปฏิบัติตามเรื่อยมานั้นมีสามทิศด้วยกันคือตรงไปตามแนวตะวันออกตะวันตกหนึ่ง ไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้1และไปตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือ1การเดินจงกรมก็เดินไปตามแนวทั้ง3ที่กําหนดไว้ในแนวใดแนวหนึ่งความสั้นยาวของทางจงกรมแต่ละสายนั้นท่านว่าตามแต่ควรสําหรับรายนั้นๆไม่ตายตัวกําหนดเอาเองได้ตามสมควรแต่อย่างสั้นท่านว่าไม่ควรให้สั้นกว่า1ิบเก้าสำหรับเวลาอยู่ในที่จําเป็นหาทางเดินไม่ได้ ทางจงกรมขนาดธรรมดายาวราว29ขนาดยาวราว25ถึง39เป็นความเหมาะสมทั่ ว, วไปเฉพาะทิศทางท่านถือเป็นแบบฉบับและปฏิบัติตามนั้นจริงจริงไม่ให้เครื่องคลาดในเมื่อไม่จำเป็นจริงๆและสั่งสอนพระเนรให้ปฏิบัติตามนั้นด้วยบางครั้งท่านเห็นพระเดินจงกรมผิดทิศทางท่านยังเรียกมาดุดาสั่งสอนเอาบ้างว่าที่สั่งสอนหมูคณะจะเป็นทางทำข้อดี ทางวินัยกดีได้สอนตามแบบฉบับเรื่อยมาไม่เคลื่อนคลาดแม้การเดินจงกรมซึ่งเป็นทางธรรมก็มีแบบฉบับไปตามธรรมเช่นกันการเดินจงกรมในครั้งพุทธกาลท่านมีกำหนดทิศทางกันอย่างไรบ้างหรือไม่ได้ทราบว่ามีทิศทางอยู่สามดังที่เคยอธิบายให้ฟังเสมอมาหมู่คณะจึงไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องไม่สําคัญแล้วไม่สนใจปฏิบัติตามก็แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจมาศึกษาหรือความสนใจ แม่สิ่งอื่นๆก็จะเห็นว่าเป็นของไม่สําคัญดังที่เป็นมาแล้วและผ่านๆไปโดยไม่เห็นอะไรสําคัญความเป็นทางนี้จึงสอให้เห็นความไม่สําคัญของผู้มาอบรมศึกษาอย่างเต็มตาเต็มใจเวลาออกจากที่นี่ไปก็จะต้องนําลัทธินิสัยความไม่มีอะไรสําคัญนี้ไปใช้กลายเป็นเรื่องไม่สําคัญในตัวของผู้ปฏิบัติไปเสียสิน้นกล้ามาอยู่กับครูอาจารย์ที่เราเคารพนับถือยังไม่เห็นความสําคัญในคําตักเตือนสั่งสอนอยู่แล้ว ก็เท่ากับจะเริ่มสร้างสิ่งทำลายตนขึ้นในเวลาเดียวกันนี่แลเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้สนิทตายใจกับหมู่คณะที่มาอาศัยว่าจะได้สิ่งที่เป็นสาระอะไรบ้างไปเป็นหลักข้อปฏิบัติในการต่อไปเห็นมีแต่ความไม่สำคัญไปเสียความจริงทำที่นำมาสั่งสอนหมู่คณะทุกๆแขนงได้พิจารณากรันกรองแล้วกันกรองเล่าจนไปที่แน่ใจไม่ได้สอนด้วยความพูดพราดลุดปาก็พูดออกมาานองนั้นแต่สอนด้วยความพิจารณาแล้วทั้งสิ้น ทั้ง่วนหยาบส่วนละเอียดการกำหนดทิศทางเดินจงกรมเคยได้อธิบายให้หมูคณะฟังมาหลายครั้งแล้วจนหน้ารำคาญทั้งผู้สอนผู้ฟังแทนที่จะพาการพิจารณาตามบ้างพอเป็นพยานแห่งการมาศึกษาแต่ทำไมความ ฝ, าฝ่าฝืนจึงโผล่ขึ้นมาอย่างไม่ไอายครูอาจารย์และใครๆที่อยู่ด้วยกันบ้างการพิจารณาทิศทางของความเพียรท่าต่างๆนี้ผมเคยพิจารณามานานและทราบมานานแล้ว จึงกล้านำมาสั่งสอนหมู่คณะด้วยความแน่ใจเมื่อเห็นความฝ่าฝืนจึงทำให้อดสรดสังเวชใจไม่ได้ว่าต่อไปจะเห็นแต่ของปลอมเต็มวัดเต็มวาเต็มศาสนาและเต็มพระเนเนเทญชีพุทธบริษัทเพราะความชอบใจความสะดวกใจพาให้เป็นไปไม่ใช่ความไตรตรองดูเหตุดูผลด้วยดีพาให้เป็นไปศาสนานั้นจริงไม่มีที่ต้องติแต่ศาสนาจะถูกต้องติ เพราะผู้ปฏิบัติดึงศาสนามาเป็นเครื่องมือของกิเลสที่มีเต็มหัวใจผมหนักกลัวตรงนี้เองเพราะเห็นอยู่กับตาดังที่ว่าอยู่ขณะนี้แลดังนี้ซึ่งผู้เขียนได้เห็นท่านเรียบพระมาดูดาสั่งสอนอย่างเข้มข้นด้วยตาตัวเองจึงจำไม่ลืมตลอดมาเมื่อมีโอกาสจึงได้นามาลงไว้บ้างฉะนั้นทางเดินจงกรมเฉพาะท่านอาจารย์มั่นท่านมีแบบฉบับจริงๆดังกล่าวมาท่านอาจารย์มั่น กำหนดรู้ทิศทางของทางเดินจงกรมการกําหนดรู้ทิศทางของสายทางเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกําหนดดูตามอริยประเพณีในครั้งพุทธกาลท่านทราบว่ามีกําหนดกฎเกณฑ์มาแต่ดั้งเดิมท่านเองจึงได้ปฏิบัติตามแบบนั้นเรื่อยมาการเดินจงกรมจะครองภาคก็ได้ไม่ครองก็ได้ตามแต่สถานที่ควรปฏิบัติอย่างไรเหมาะ ท, าทั้งทิศทางของสายทางสําหรับเดินจงกรมทั้งวิธีเดินจงกรม ทั้งการคลองผ้าหรือไม่คลองในเวลาเดินจงกรมทั้งขณะยืนรำพึงที่หัวจงกรมเวลาจะทําความเพียรในท่าเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกําหนดดูตามอริยประเพณีทราบโดยละเอียดและได้ปฏิบัติตามที่กําหนดทราบแล้วเรื่อยมาคือการเดินจงกรมท่านสอนให้เดินไปตามตะวันหรือเยืงตะวันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ท่านว่าการเดินตามตะวันเป็นที่1 ยื่งตะวันทั้งสองสายเป็นอันดับรองลงมาส่วนการเดินตัดตะวันหรือไปตามทิศเหนือทิศใต้ไม่เห็นท่านเดินเลยนอกจากไม่เห็นท่านเคยเดินแล้วยังได้ยินท่านว่าไม่ควรเดินด้วยแต่จะเพราะเหตุไรนั้นลืมคำอธิบายท่านเสียสิน้นวิธีเดินจงกรมภาวนาการเดินจงกรมกลับไปกลับมาไม่ช้านักไม่เร็วนักพองามตางามัญญาติตามเย่องอย่างประเพณีของพระผู้ทำ ความเพียรท่าเดินในครั้งพิตการเรียกว่าเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากวิธีนั่งสมาธิภาวนามาเป็นเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากเดินมายืนเรียกว่ายืนภาวนาเปลี่ยนจากยืนมาเป็นท่านอนเรียกว่าท่าสีห์สายาภาวนาเพราะฝังใจว่าจะภาวนาด้วยกิริยบทนอนหรือสีห์สายาการทําความเพียรในท่าใดก็ตามแต่ความหมายมั่นปันมือก็เพื่อชําระกิเลส ต, ตัวเดียวกัน ด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกันมิได้เปลี่ยนเครื่องมือคือทาที่เคยใช้ประจำหน้าที่และวิสัยเดิมก่อนเดินจงกรมพึงกำหนดหนทางที่ตนจะพึงเดินสั้นหรือยาวเพียงไรก่อนว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั้นหรือถึงที่โน้นหรือตกแต่งทางจงกรมไว้ก่อนเดินอย่างเรียบร้อยสั้นหรือยาวตามต้องการวิธีเดินจงกรมผู้จะเดินกรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกรมที่ตนกาหนด หรือตกแต่งไว้แล้วนั้นพึงยกมือทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างคิวระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่ตนถือเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของใจและระลึกถึงคุณของบิดามารดาอุปชาอาจารย์ตลอดท่านผู้เคยมีพระคุณแก่ตนจบลงแล้วรำพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กาลังจะทาด้วยความตั้งใจเพื่อผลนั้นนั้น เสร็จแล้วปล่อยมือลงเอามือขวาทับมือซ้ายท่าคันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธรมพึงเจริญพระมิหารสี่จบแล้วทอดตาลงเบื้องต่ำท่าสำรวมตั้งสติกาหนดจิตและทมที่เคยนำมาบริกรรมกํากับใจหรือพิจารณารมทั้งหลายตามแบบที่เคยภาวนามาในท่าอื่นๆเสร็จแล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรมที่กาหนดไว้เดินกลับไปกลับมาในท่าสำรวมมีสติอยู่กับบทธรรม หรือสิ่งที่พิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ส่งจิตไปอื่นจากงานที่กําลังทําอยู่ในเวลานั้นการเดินไม่พึงเดิ น, ดนไกวแขนไม่พึงเดินเอามือขัดหลังไม่พึงเดินเอามือกอดอกไม่พึงเดินมองโน่นมองนี้อันเป็นท่าไม่สํารวมการยืนกําหนดลาพึงหรือพิจารณาทำนั้นยืนได้โดยไม่กําหนดว่าเป็นหัวทางยงกรมหรือย่านกลางทางจงกรมยืนนานหรือไม่ ตามแต่กรณีที่ควรหยุดอยู่หรือก้าวต่อไปเพราะการรำพึงทำนั้นมีความลึกเด้่นยาบละเอียดต่างกันที่ควรอนุโลมตามความจําเป็นจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปบางครั้งต้องยืนพิจารณาร่วมชั่วโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปการเดินกําหนดคําบริกรรมหรือพิจารณาธรรมไม่นับก้าวเดินนอกจากจะถือเอาก้าวเดินนั้นเป็นอารมณ์แห่งความเพียรก็นับก้าวได้ การทำความเพียงในท่าใดสติเป็นสิ่งสำคัญประจำความเพียงท่า น, นั้ น, น, นการขาดสติไปจากงานที่ทำเรียกว่าขาดความเพียงในระยะนั้ น, น, นผู้บำเพ็ญพึงสนใจสติให้มากเท่ากับสนใจต่อธรรมที่นำมาบริกรรมการขาดสติแม้คำบริกรรมภาวนาจะยังติดต่อกันไปเพราะความเคยชินของใจก็าตามแต่ผลคือความสงบของจิตจะไม่ปรากฏตามความมุ่งหมายการเดินจงกรมจะเดินเป็นเวลานานหรือไม่เพียงไร ตามแต่จะกําหนดเองการทําความเพียนในท่าเดินก็ดีท่ายืนก็ดีท่านอนก็ดีท่านั่งก็ดีอาจเหมาะกับนิสัยในบางท่านที่ต่างกันการทําความเพียนในท่าต่างๆนั้นเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถไปในตัวด้วยไม่เพียงมุ่งกําจัดกิเลส ด, ด้วยถ่ายเดียวเพราะธาตุขันเป็นเครื่องมือทําประโยชน์จําต้องมีการรักษาเช่นการเปลี่ยนอิริยาบทถท่าต่างๆเป็นความเหมาะสมสําหรับธาตุขันที่ใช้งานอยู่เป็นประจํา ถ้าไม่มีการรักษาโดวยวิธีต่างๆธาตุขันต้องกลับมาเป็นข้าสึืแกอเจ้าของจนได้คือต้องพิกลพิการไปต่างๆสุดท้ายก็ทํางานไม่ถึงจุดที่มุ่งหมายพระธุดงค์ท่านถือการเดินจงกรมเป็นงานประจําชีวิตจิตใจจริงๆโดยมากท่านเดินครั้งละหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปตอนเช้าหลังจากหันแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมกว่าจะออกมาก็11บเนาฬิกาหรือเที่ยงแล้วพักเล็กน้อย บ่ายหนึ่งโมงหรือสองโมงก็เข้าทางและเดินจงกรมต่อไปอีกจนถึงเวลาปัดกวาดที่พักอาบน้ำเสร็จแล้วเข้าเดินจงกรมอีก1ถึงสองทุ่มถ้าไมา่ใช่น า, นานาก็เดินต่อไปจนถึง 4- ี่ถึงห้ทุ่มถึงจะเข้าที่พักทำสมาธิภาวนาต่อไปอย่างไรก็ตามการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิท่านต้องเดินนานนั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใด ความเพียรท่านเสมอตัวไม่ยอมลดย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนทงความรังคารแก่ใจท่านนักท่านพยายามห้ามหันอยู่ทุกกิริยาบทจึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้างต่อไปก็เห็นผลไปโดยลําดับขั้นเริ่มแรกที่ลิธกิเลสกาลังแข็งแรงนี้ลำบากอยู่บ้างดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอนสลบคลอกไปไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไปกินจนอิ่มและหนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้ว จึงจงวงเงยอตื่นขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่าเผลอตัวหลับไปหยีบนึงวันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่วันนี้ความโงกหงืงทําผิดจึงทําให้เสียความจริงคือกิเลสทําผิดนั่นเองวันหลังยังไม่มองเห็นหน้ามันเลยถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เ็ดเจ็บก็เจ็บแต่ไม่เ็ดคือกิเลสเขี้ยนคนนี่แหลนักภาวนาเคยถูกมันดัดมาพอแล้วบ่นกันยุ่งว่ารุน ล, ลายไม่ทันมัน สมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนรลศาสตร์ทั้งโลกมาเป็นเวลานานตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรทีแรกนี่แหละตอนกิเลสโมโหพยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทางพยายามทำให้ขี้เกียจบ้างทำให้เจ็บที่นั่นปวที่นี่บ้างทำให้ง่วงเหงาหานอนบ้างหาเรื่องว่ายุ่งไม่มีเวลาภาวนาบ้างจิตกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้างบุญน้อยวาสนาน้อยทาไม่ได้ม า, มากนั่งไม่ได้นานบ้างทาให้คิดว่า มัวจะนั่งหลับตาภาวนาจะไม่แย่ไปเลหรืออะไรอะไรไม่ทันเขารายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้างราวกับว่าก่อนแต่ยังไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเคยมีเงินเป็นล้ลานๆพอจะเริ่มภาวนาเข้าบ้างตัวเริ่มจะเอาไปกินเสียหมดยิ่งถ้าได้ภาวนาเข้าจริงๆตัวกิเลสจะไม่ท้องใหญ่ปากกว้างยิ่งกว่ายักษ์ใหญ่เอาไปกินหมดหรือพอถูกกิเลสเท่านี้เข้าเกิดคันคายเจ็บปวดระบมไปทั้งตัว สุดท้ายยอมให้มันพาทะเลทรายไปทางที่เข้าใจว่าไม่มียักษ์มีมานแต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไรเรียบวุฒไม่ทราบอะไรมาเอาไปคราวนี้ไม่บน่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมยไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะกระเป๋าก็ติดอยู่กับตัวไม่เผลิดเวางทิ้งไว้ที่ไหนพอขโมยจะมาลักไปได้เป็นอันว่าเรียบทําเคยโดยไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุวันหลังไปใหม่ก็เรียบกลับมาอีกแต่จับตัวขโมยไม่ได้นี่แลทางเดินของกิเลส มันชอบเดินแต้มสูงๆอย่างนี้แหละจึงไม่มีใครจับตัวมันได้ไง่ายๆแม้พระธุดงไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสนาติตัวนั่นแหละท่านเคยถูกมาแล้วจึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโปรโดพากันระวังตัวเวลาเริ่มขวัตขาวาวหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนากลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตา แล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้วถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมีทางระวังตัวไม่สินเนื้อประดาตัไปเปล่าแบบไม่มีปีมีคุยขับกล่อมให้อนาสัญญาณว่ากิเลสมาก่อโกยเอาของดีไปใช้ไปทานเสียจนหมดตัวท่านที่เริ่มฝึกหัดใหม่กรุณากําหนดเวลาในการเดินจงกลมเอาเองแต่กรุณากําหนดเถอไว้บ้างเวลากิเลสตัวร้อยเล่พันรวงไม่แอบขโมยเอาสิ่งของจะได้เหลือคําภาวนาติดตัวไว้บ้าง ขะเดินจงกรมพึงกําหนดสติกับรำบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันประคองความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะมีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรมเช่นกําหนดพุดโทโธให้จิตรู้อยู่กับพุโทโธทุ ก, กระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมาชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่านนั้นไม่ขาดวักขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบาําเพ็ญเพียรผลคือความสงบเย็นถ้าจิตไม่เผลอทัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อน ผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่งแน่นอนข้อ น, นี้ก ร, รุณาเชื่อไว้ก่อนก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ท่านไม่โกหกให้เสียเวลาและเปล่าประโยชน์แน่นอนก่อนท่านจะได้ทํามาสั่งสอนประชาชนท่านก็คือผู้ลม้มลุกคุกคลานมาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้กําลังฝึกหัดจึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือ พลอยเปิดมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อนทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบสลายไปสามผลทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจากสูุไปก็มีต่างๆกันแต่ได้ผลที่พึงใจทั้งเลิศทั้งประเสริฐทั้งอัศจรรย์นเหนือโลกเป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพระาะความเพียรอันแรงกล้านั้นนนั้ท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอ ด, ลอดภยัยไร้ทุกข์ทั้งมวลทั้งนี้เพราะการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสมวนกัน ถ้าท่านยังมัวหึงหวงห่วงความทุกข์ความลำบากอยู่ก็คงต้องงมทุกบุกคลนโดนวัตฏะอยู่เช่นเราทั้งหลายนี้แหลจะไม่มีใครแปลกต่างกันในโลกมนุษย์เราจะเอาแบบไหนดิ้นวิธีใดบ้างจึงจะหลุดพ้นจากสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายที่มีเกลื่อนอยู่ในท่านในเราเวลานี้ควรฝึกหัดคิดอ่านตัวเองบ้างในขณะที่พอคิดได้อ่านได้เมื่อเข้าสู่ที่ขับขันและสุดความสามารถจะดิ้นรนได้แล้ว ไม่มีใครสามารถเข้าไปนั่งทําบุญให้ทานรักษาศีลทําสมาธิภาวนาอยู่ในกองฟืนกองฟอนในเต้าแห่งเมนได้เห็นมีแต่ไฟทํางานแต่ผู้เดียวจนร่างกายเป็นเท่าเป็นฐานปลายถ่ายเดียวเท่านั้นเราเคยเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาด้วยกันซึ่งควรสลดสงเวชและน่าฝังใจไปนานการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือการกันกรองหาสิ่งที่เป็นสาระคุณในตัวเราซึ่งเป็นงานสําคัญและมีผลเกินคาดยิ่งกว่างานอื่นใด ยังไม่ควรยอมให้กิเลสตัณหาอวิชชามาหลอกเล่นให้เห็นเป็นงานล่อ ล, อลวงร่มโจมปนปี่ไม่มีชิ่นดีความจริงก็คือตัวกิลเลสเองนั่นแหลเป็นผู้ทําคนและสัตว์ให้ฉีภายปลปี้เรื่อยมาถล่มโบายมันจนไม่สํานึกตัวบ้างการกลั่นกรองจิตด้วยสมาธิภาวนาก็คือการกั่นกรองตัวเราออกเป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อทราบว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนจะพาให้เกิดทุกข์อันไหนจะพาให้เกิดสุขอันไหนจะพาไปนรกอันไหนจะพาไปสวรรค์ และอันไหนจะพาไปนิพพานสิ้นทุกทมวนนั่นเองความจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องเผชิญนี้มิใช่งานของพระพุทธเจ้ามิใช่งานของพระสาวกองใดและไม่ใช่งานของาศาสนาจะพึงโฆษณาให้คนเชื่อและนับถือเพื่อหวังผลจากการนั้นทำประเสริฐสามดวงที่กล่าวถึงนั้นเป็นความสมบูรณ์ตลอดการอยู่แล้วไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากใครและอะไรแม้แต่น้อยงานนั้นจึงตกเป็นงานของเราของท่าน ผู้ต้องเผชิญกับความจำเป็นอยู่เฉพาะหน้าจะพึงสแสวงห า, หาทางหลบปลีกปลีกตัวเต็มสติกำลังความสามารถของแต่ละรายเพื่อแคล้วคลาดไปได้เป็นพักๆมิใช่จะนั่งนอนคอยสิ่งหน้ากลัวทั้งหลายอยู่โดยไม่คิดอ่านอะไรบ้างเลยเราวกับหมูคอยขึ้นเขียงด้วยความเพลิดเพลินในแกลบลำเพร่อเห็นแก่ป่าแกท่ทองเพียงเท่านั้นเพราะชาติมนุษย์กับชาติสัตว์ตัวไม่รู้จกคิดอ่านไตรตรองอะไรเลยนั้น ผิดการลิบลับราวกับฟ้ากับดินไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้ร่างกายจิตใจไปทําหน้าที่ะ ร, ระคนคราคาวกันกับสัตว์ที่ไม่มีความหมายในสารคุณอะไรนอกจากกระเทียมและหัวหอมที่เป็นของคู่ควรกันกันกบสัตว์เหล่านั้นเท่านั้นการกล่าวทางนี้มิได้มุ่งติเตียนทําลายท่านสุภาพชนทั้งหลายด้วยอัตธรรมที่กล่าวมาแต่กล่าวมาเพื่อช่วยพยุงส่งเสริมจิตใจกายวาจาที่กําลังถูกสิ่งลามกตกโครน มาทำหน้าที่เป็นนายเขียงสับยำเป็นอาหารอันอร่อยพอมันต่างหากเพื่อสติปัญญาจะได้สะดุดตัวทราบว่าเวลานี้เราตกอยู่ในสภาพเช่นไรจึงพยายามด้วยอุบายที่เห็นว่าจะพอเป็นเครื่องช่วยให้พ้นภัยจากมันบ้างสมเป็นพุทธศาสนิกชนทางที่พอจะทราบได้ก็คือการหัดอ่านตัวเองด้วยสมาธิภาวนาซึ่งเป็นอุบายที่ควรทราบได้ง่ายกว่าวิธีอื่นเรกิจนี้อยู่กับตัว ทำหน้าที่อยู่ในตัวและคิดอ่านเรื่องของสัตว์โลกมาในตัวโดยตรงผิดกับถูกดีกับชั่วสุขกับทุกข์ก็มีอยู่กับตัวเมื่ออ่านบ่อยๆก็ค่อยทราบไปเองเมื่อทราบตัวเองก็ต้องทราบเรื่องทุกข์ที่เกิดกับตัวจิตใจก็นับวันจะเด่นดวงและมีคุณค่าขึ้นราวกับสินค้าขึ้นราคานั่นแหละใครหัดคิดหัดอ่านตัวเองมากๆผู้นั้นจะทราบผลทางโลภีกปลีกทุกข์ไม่เหมากันไปตลอดกาลดังที่เคยเป็นมา ความเห็นภายในทุกที่มีอยู่กับตัวก้อนนับวันจะเห็นไปโดยสม่ำเสมอมีผลทางหลีบห ล, ลีกภัยไปเรื่อยๆพ้นไปได้โดยลําดับการเห็นทุกข์ก็เห็นอยู่กับตัวไปทุกระยะที่ทุกข์เกิดขึ้นแม้การพ้นทุกข์ก็ทราบว่าพ้นอยู่กับตัวด้วยกําลังสมาธิสติปัญญาพูดถึงความทุกข์ความเป็นความตายและภพชาติที่จะเผชิญกันมากน้อยเพียงไรก็ไม่ติดตกกังวลเพราะได้ประมวลมารู้เห็นในขันเฉพาะหน้าที่รวมรับรู้อยู่กับ ใจดวงเดียวที่กําลังฝึกซ้อมตัวอยู่ขณะนี้แล้วยังเป็นอยู่ก็เย็นใจเพราะคุณธรรมอยู่กับตัวแม้ตายไปก็มีสุขโทเป็นที่อยู่เสวยนี่คือผลของการทําสมาธิเดินจงกรมภาวนาสามารถยังพูเนเพ่ให้เกิดความรื่นเริองอาถรรพ์ได้ผิดคาดผิดหมายจึงเป็นกิจที่ควรทําเพื่อตัวเราเองไม่ควรประมาทซึ่งอาจเป็นภัยอย่างคาดไม่ถึงการกําหนดจิตตั้งสติในเวลาเดินจงกรม กรุณาทาเป็นล่ำเป็นสรรสมที่เจตนามุ่งหน้าหาของดีการเดินชมกรมภาวนาเป็นการแสวงหาของดีที่ถูกทางไม่มีข้อควรตำหนินักปราชมเชยกันทั่วโลกควรพยายามทำจิตใจให้สงบในเวลานั้นจนได้อย่าสักแต่ว่าทาจะเห็นความประเสริฐอัศจรรย์ของตัวเองคือจิตที่ถูกห่อหุ้มโดยของเศษเดนทั้งหลายจนขาดความสนใจว่าสิ่งที่ถูกคุ้มหอนั้น ไม่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งเศษเด่นที่หุมหอ่อจึงมักพากันหลงไปกับสิ่งนั้นจนลืมสำนึกตัวความจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กระเดืองเรื่องลือในไตรภพตลอดมานั้นก็ออกจากใจที่เป็นทั้งเหตุและผลอัศจรรย์นั่กล่าวมาคือใจดวงหลุดลอยจากของเศษเด่นทั้งหลายออกมาแล้วนั่นแลที่มีพระนามว่าพระพุทธบ้างพระสงฆ์บ้างตามอาการของผู้ทรงเมื่อปราศจากผู้ทรงแล้วก็เป็นธรรมล้นลวน ไม่มีคําว่าจิตว่าพระพุทธเจ้าอันเป็นสมมติขั้นสูงสุดอยู่ในนั้นอีกเลยเหลือแต่คําว่าธรรมพระนามนี้ก็เป็นสมมุติขั้นสูงสุดอีกพระนามหนึ่งแต่จําต้องทรงพระนามนี้ไว้เป็นหลักใหญ่ของโลกผู้หวังพึ่งธรรมจนกว่าได้บรรลุถึงความไม่หวังพึ่งสิ่งใดแล้วคําว่าธรรมกับผู้นั้นก็ทราบกันเองไม่มีทางสงสัยแม้ไม่เคยทราบมาก่อนดังนั้นคําว่าจิตทั้งจิตท่านจิตเรา ย่อมเป็นเช่นเดียวกันทั้งโลกแต่สิ่งที่ทำให้จิตผิดกันไปต่างๆจนคาดไม่ออกบอกไม่ถูกมองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้ในสังคมสามัญของคนมีกิเลสนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายซึ่งมีมากและต่างๆกันจนพน า, นาไม่จบเข้าเกี่ยวข้องผัวพันจิตที่ถูกสิ่งเหล่านั้นปกคลุมคละคล้าจนเป็นอันเดียวกันจึงเป็นจิตที่ผิดกันมากจนไม่อาจทราบได้ว่าจิตนั้นมีความหนาบางจากสิ่งทังกล่าวมาก้อยเพียงไรและพิสูจน์ไม่ได้ว่า จิตของผู้นั้นเดินมาจากภพชาติอะไรบ้างมีอะไรปกคลุมหุ้มขอมากที่สุดบรรดาที่มีนาว่ากิเลสหรือของเศษเดนแห่งท่านผู้วิเศษทั้งหลายท่านผู้ใดพยายามชําระแก้ไขสิ่งดังกล่าวออกได้มากน้อยเพียงไรย่อมได้รับความสุขมากน้อยตามเหตุที่ชําระได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็เป็นผู้สิ้นทุกทางใจในถ้ำกลางแห่งขันที่กําลังครองอยู่ดังพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ท่านที่ตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้ว ย่อมทรงสเสวยและสเสวยวิมุติสุขในขณะนั้นโดยไม่อ้างการสถานที่เลยขอแต่กิเลสที่เป็นตัวฆ่าสืบแก่จิตใจได้สิ้นศูนย์ไปก็พอแล้วฉะนั้นจึงมีเพียงกิเลสอย่างเดียวกั้นกลางมรรคผลนิพพานมาให้จิตบรรลุ ถ, ถึงได้นอกนั้นไม่มีอะไรหรือผู้ใดมีอำนาจกัน้นกลางได้การสอนธรรมจึงสอนลงที่จิตซึ่งเป็นที่ทรงสมของกิเลสทั้งมวลด้วยธรรมปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญา อันเป็นหลักใหญ่ในบนรรดารมแก้ไขบุกเบิกการเดินจงกรมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถทํากิเลสให้หลุดลอยออกจากใจได้<ม>เช่นวิธีทั้งหลายมีการนั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นจึงควรสนใจฝึกหัดทำแต่บัดนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกับงานทางโลกอานเป็นงานอาชีพและงานเพื่อเกียรติแห่งสังคมมนุษย์ที่นิยมกันส่วนงานคือการทําความดีมีการเดินจงกรมเป็นต้นดังกล่าวมาเป็นงานพยุงตนทั้งภายในและภายนอก และเป็นงานพยุงเพื่อนมนุษย์และสัตว์ในโลกอีก ด, ด้วยตามแต่กำลังความดีของแต่ละท่านละคนจะแผ่ความสุขให้โลกได้รับมากน้อยเพียงไรเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงทำความร่มเย็นแก่โลกทั้งสามได้มากมาหามากไม่มีท่านผู้ใดกล้าเป็นคู่แข่งได้พระอาหารหันต์แต่ละองค์ทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้มากพอประมาณรองพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงมาและมากกว่าสามัญชนทาต่อกัน สุภาพชนถ้าเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามากก็ทำประโยชน์แก่ประชาชนราษดรได้มากราษดรเคารพนับถือและยกย่องเป็นพ่อพระแม่พระผู้หนึ่งและรักมากราวกับพ่อแม่ของตนจริงๆยิ่งมีผู้ใหญ่เป็นคนดีจำนวนมากเพียงไรก็เป็นการแสดงออกแห่งความเจริญรุ่งเรืองของหมู่ชนมากเพียงนั้นศาสนาและผู้ประกาศสอนทำการสงเคราะห์โลกด้วยวิธีต่างๆ โดยไม่คิดค่าตอบแทนในทางอามิตรและสินจ้างรางวัลใดๆชื่อว่าผู้สร้างความกระหยิบปริ่มด้วยความเมตตาวิหารธรรมและจงรักภักดีแก่ประชาชนได้รับไม่มีวันจืดจางอิ่มพอหลับกระเตือนเขาย่อมระลึกบูชาเป็นกวันตากวันใจอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่โลกนอกจากสร้างบุญสร้างคุณแก่ผู้อื่นให้เต็มตื้นไปด้วยความบิติยินดีโดยทั่วกันถ่ายเดียวเท่านั้นาศาสนากับผู้สงเคราะห์โลกด้วยธรรมและอามิตร จึงเป็นเหมือนในแพทย์และนางพยาบาลที่มีความสงสารเมตตาเที่ยวแจกยาและรักษาโรคให้หมู่ชนผู้จาเป็นที่ชีวิตอยู่กับยาได้หมอแม้เขาหายโรคแล้วแต่บุญคณที่เขาระลึกต่อหมอผู้มีคุณนั้นจะไม่มีวันลืมเลยนี่แหละอานาจของความดีไม่เลือกชาติชั้นวรณะย่อมมีความปรารถนาทั่วหน้ากันความดีและาศาสนาจึงไม่ได้เป็นของลาสมัยดังที่บางคนเข้าใจ ทั้งที่เขาก็ยังหวังพึ่งผู้อื่นอยู่ด้วยความกระหายต่อความเมตตาอารีของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอันมีศาสนาเป็นแหล่งผลิตคนดีเพราะศาสนาเป็นแหล่งแห่งความดีทั้งมวลถ้ามิใช่คนดีจะนำศาสนาออกสอนโลกไม่ได้แน่นอนหลักศาสนาอย่างน้อยก็คือหัวใจของคนดีนั่นแลยิ่งกว่านั้นก็คือหัวใจของท่านที่บริสุทธิวิมุติธรรมทั้งดวงดังศาสดาของศาสนาพูดเป็นต้น จะเป็นใครอื่นมาจากที่ไหนที่จะมีแก่ใจและความสามารถใครบ้างที่มีแก่ใจเสียสละเพื่อมูชนเหมือนหัวใจของเจ้าของศาสนาผู้นำธรรมออกสอนโลกดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงเสียสละเป็นพระไทยแล้วและพระสาวกอรหันของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทําประโยชน์แก่มูชนถ้าไม่ใช่ท่านผู้มีใจขาวสะอาดปราศจากความเห็นแก่ตัวแล้วจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อโลกไม่ได้เลย ข้อนี้น่าเชื่อละเกินแม้ไม่มีใครเชื่อด้วยก็ยอมโง่เชื่อคนเดียวเพราะเราท่านเกิดมาในโลกนี้ก็นานพอจะสราบความคัดแคบความกว้างขวางความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ผู้อื่นเพื่อนฝูงที่เป็นมนุษย์ด้วยกันได้ดีเพราะต่างก็อยู่โลกอันเดียวกันความทุกข์สุขดิบเกี่ยวเนื่องกันอยู่ทุกวันเวลาอย่างแยกไม่ออกจะไม่ทราบเรื่องของกันนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องทราบแน่นอนคนที่เบื่อนายเกลียดชังกัน ก็เพราะทราบเรื่องของกันคนที่รักชอบขอบใจตายใจเชื่อสนิทต่อกันก็เพราะทราบเรื่องของกันการแสดงออกแห่งศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ซึ่งเป็นการสะเทือนโลกธาตุเพราะการปลุกปลอบใจสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากหลับที่เคยจมอยู่ในกองกิเลสทั้งหลายให้ฟื้นตื่นตัวด้วยธรรมจักที่หมุนไปด้วยอริยสั์ของจริงอันประเสริฐทาไมจะทาบไม่ได้ว่าบุคคลเช่นไรเป็นผู้ประกาศ และประกาศด้วยอัธยาสายที่สัมพยุตด้วยอะไรถ้าไม่สัมพยุตด้วยพระเมตตามหาคุณโล้นโลกแล้วผู้เขียนก็ไม่ทราบจะเรียนอย่างไรจึงจะสมใจของท่านผู้อ่านทั้งหลายถ้าท่านเป็นเสมือนเราเราท่านท่านที่กุดศนดูในตัวในใจเห็นแต่ความคับแคบตีบตันความเห็นแก่ตัวแบบเข้ากับใครไม่ได้นี้แล้วาศาสนาและาศาสดาจะไม่มีวันอุบัติขึ้นมาให้โลกเด็กราว่า้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจได้เลย เท่าที่โลกยังเป็นโลกและมีคนดีคนชั่วสับปนกันอยู่ไม่สูญปราดราชบนณฑิตไปจากพันมนุษย์ก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งใจที่ขาวสะอาดของท่านผู้ไม่เห็นแก่ตัวกลัวคนอื่นจะดีกว่ามาชุบเปลียงฉลอมใบด้วยาศาสนาธรรมนั่นเองจึงพอมีคนดีไว้ประดับโลกการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่ควรคิดเอา ง, ง่ายๆว่าเป็นภพที่เกิดได้งง่ายและตายยากแต่อาจเป็นภพที่เกิดง่ายตายง่ายและเกิด ยากตายง่ายเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปเพราะชีวิตเป็นอยู่กับธาตุขันเหมือนกันลมหายใจหยุดหมดความสืบต่อก็คือคนตายสตัตว์ตายนั่นแหละจะเรียกอย่างไรให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกได้จะมีความเที่ยงทนเท้าหวังที่ไหนพอจะประมาทนอนใจม่คิดอ่านเรื่องของตัวพอเป็นสุขตินิสัยสืบไปในอนาคตวิธีนั่งสมาธิภาวนาการกล่าววิธีเดินจงกรมมา ก, มากพอควร จึงขอเริ่มอธิบายวิธีนั่งสมาธิภาวนาต่อไปพอเป็นหลักฐานของผู้เริ่มฝึกหัดเพราะงานทุกขแขนงทุกชนิ ด, ดย่อมมีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินงานสมาธิภาวนาก็จําต้องมีแบบฉบับเป็นหลักเกณฑ์วิธีนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้ว่าพึงนั่งขัดสมาธิคือนั่งขัดสมาดตามแบบพระพุทธ ร, รูปองค์แทนศาสดาเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางมือทั้งสองไว้บนตัก หรือบนสมาบติตั้งกายให้ตรงธรรมดาอย่าให้ก้มนักเงยนักอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาจนผิดธรรมดาไม่กดหรือเกรงอวยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นการบังคับกายให้หลำบากปล่อยวาง อ, าอวยหะทุกส่วนไว้ตามปกติธรรมดาแต่เวลาทำหน้าที่ภาวนาต่อไปแล้วกรุณาทำความสนใจกับหน้าที่นั้นอย่างเดียวไม่พึงกลับมาทาความกังวลรักษาท่าสมาธิที่กาหนดไว้เดิม โดยเกรงท่านั่งนั้นจะเคลื่อนจากอาการเดิมเป็นการก้มเกินไปหรืองเงยเกินไปเอียงซ้ายเกินไปเอียงขวาเกินไปซึ่งเป็นการกังวลกับอาการทางกายมากกว่าทางจิตสมาธิภาวนาจะดําเนินไปไม่สะดวกดังนั้นพอเริ่มต้นทางกิตตภาวนาแล้วจึงไม่ควรเป็นกังวลกับทางกายตั้งหน้าทํางานทางจิตต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งการออกจากที่สมาธิภาวนา การเริ่มต้นทางจิตตภาวนาพึงตั้งความรู้สึกคือจิตลงเฉพาะหน้าที่เรียกว่าปัจจุบันธรรมอันเป็นทางรู้ความเคลื่อนไหวของจิตของธรรมารมณ์ต่างๆดีชั่วดีดีในเวลานั้นมากกว่าเวลาอื่นๆคือตั้งจิตลงเฉพาะหน้ามีสติคือความระลึกรู้อยู่กับใจอันเป็นการเตือนตนให้รู้ว่าจะเริ่มทํางานในขณะนั้นกรุณาระวังไม่ให้จิตส่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆทั้งอดีตอนาคต ทั้งดีและชั่วที่นอกจากงานบริกรรภาวนาซึ่งกำลังทำอยู่ในเวลานั้นวิธีตั้งสติเฉพาะหน้ากิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติเท่านั้นไม่มีความแยบใครใครครัวในตัวเองเป็นเพียงรู้คิดรู้นึกรู้เย็นรู้ร้อนจากสิ่งสัมผัสต่างๆเท่านั้นไม่มีความแยบคายใครครววไม่รู้การพิจารณาและแตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดลงไปได้ คือไม่รู้จักผิดถูกชั่วดีโดยลำพังตนเองจึงต้ององาศัยสติและปัญญาตัวรู้ตัววินิจฉัยคร่ครวนกำกับรักษาเพราะสติปัญญามีอำนาจเหนือจิตสามารถรู้เท่าทันจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆได้ดีฉะนั้นเพิ่งกำหนดเอาสติคือความรู้ชนิดหนึ่งที่มีอำนาจเหนือจิตนั้นมาไว้เฉพาะหน้าทาหน้าที่กาหนดรู้และรักษาจิตไม่ให้ทรงไปอื่นจากอารมณ์ที่ภาวนา การมีสติรักษาจิตยอยู่ทุกระยะนั้นสติสัมปชัญญะจะพึงเป็นสมบัติที่ควรได้รับในวาระนั้นหรือวาระต่อไปแน่นอนการภาวนาด้วยบริกรรมกับทำบทใดบทหนึ่งนั้นพึงให้เป็นไปตามจริตไม่ควรฝืนทำบทใดเป็นที่สบายใจในเวลานั้นพึงนำทำบทนั้นมาบริกรรมภาวนาสืบต่อไปดังที่เคยอธิบายมาแล้ววิธีนึกคำบริกรรมภาวนาการนึกคำบริกรรมภาวนานั้น จะนึกกับทำบทใดบทหนึ่งตามนิสัยชอบดังกล่าวแล้วก็ได้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วกําหนดเอาเพียงบทเดียวติดต่อกันไปด้วยความมีสติแต่จะกําหนดทําบทใดก็ตามนอกจากสาบทนี้ก่อนจะเจริญทำบทนั้นๆทุกครั้งควรเจริญรำลึกทำสามบทคือพุทโธธัมโมสังโฆสามครั้งอ่านเป็นองค์พระรัตนตรัยก่อน จากนั้นค่อยบริการมบทที่ตนต้องการต่อไปเช่นอนาปนสติหรืออธิหรือต่โจเป็นต้น